สัมภเวสีเป็นเปรตเป็นผีในมากเวลาทำบุญให้ทานเนี่ยเขาอุทิศส่วนกุศลพวกนี้ไม่มีญาติมาขอทานเยอะนะติโรกุท ธ, ธกันทศูรพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วน่าสงสารมากนะพวกเนี้ยเรียกว่าติโรกุท ธ, ธกันทศูตรคือมาอาศัยอยู่ตามข้างฝาข้างบ้านของเจ้าของของญาติเจ้าของ